หมวดที่5ภิพษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงนิยสกรรมแก่พิกษุอื่นอีก3มรูปคือ 1. รูปหนึ่งมีสีลวิบัติในอธิสิน 2. รูปหนึ่งมีอาจารวิบัติในอัจ ช, ชาจาร 3. ารูปหนึ่งมีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิ ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงนิยสกรรมแก่ภิกษุสามรูปเหล่านี้แล